พระธรรมเทศนาพระธรรมจักกปะปวัตนสูตรนี้มีพระโพธิปัจคียธรรมนั้นเป็นดุมมีพระปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นกรรมคือซี่ล้อมีพระจตุราริยสัตว์นั้นเป็นกงคือวงรอบล้ออธิบายดังนี้ยุติโดยพระคถามีเนื้อความว่าเนมิยังจตุสัจจังพระธรรมจักกปะปวัตนสูตรนี้ สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าพระองค์จัดเอาพระจัตุราริยสัจนั้นเป็นกงอรานางปัจจะยังจัดปัจใจคือพระปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกรรมนาพิเจวะสัทรธรร ม, มังแล้วก็จัดเอาพระสัตตติงสะโพธิปัคิยธรรมนั้นมาเป็นดุมอัญญามันยังปะวะเตนโตสมเด็จพระพุทธองค์เจ้า ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาทั้งปวงนี้ให้มีนัยยะอันกระทบไหวถึงกันตลอดถึงกันคือพระองค์ตรัสเทศนาพระจตุราริยศสัสน์นั้น ม, นน ม, ตตรรมนีนัยยะตลอดถึงพระปฏิจจสมุปบาทตลอดถึงสัตร์ติ่งสโพธิปคิยธรรมถึงที่ตรัสเทศนาพระโพธิปคิยธรรมนั้นก็เทศนาให้นัยยะตลอดถึงพระปฏิจจสมุปบาทตลอดถึงพระจตุราริยศสัส์ ถึงที่ตรัสเทศนาพระปฏิจจสมุปบาทนั้นเล่าก็เทศนาให้มีนัยยะตลอดถึงพระจตุราริยสัตร์ตลอดถึงสัตติสติงสโพธิปักขียธรรมอาศัยเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนามีนัยยะอันกระทบตลอดถึงการชะนีจึงมีนามบัญญัติชื่อว่าพระธรรมจักรจะมีอุปมาชั้นใด สกักตจกรัาธาจั ก, กรกลงอีวะมีครุวานาดุด จ, จากเกวียนและจากรถธรรมดาว่าจากเกวียนและจากรถนั้นเมื่อมีตะดุมหากรรมหากง ม, มิได้คือหาวงล้อและซี่ล้อมิได้หรือมิฉะนั้นมีตะกรรมหากงหากดุมมิได้หรือมีตะกงหากดุมหาก ร, ร ม, มิไ ด, กรรมมได้ก็ยังมิได้ชื่อว่าจากเวียนจากรถก่อน ถึงมาดว่ามีพร้อมทั้งดุมทั้งกงทั้งกรรมบริบูรณ์ทั้งสามสิ่งแล้วก็ดีถ้าละเป็นผนแเป็นผนแเอาไว้ต่างๆกันยังมิได้คุมกันเข้าเป็นอันเดียวก็ยังมิได้ชื่อว่าจักเวียนจักรถก่อนต่อในช่างผู้ฉลาดเอาดุมมาเจาะให้ดีแล้วเอากรรมนั้นติดเข้าในดุมแล้วเอากงนั้นมาสวมลงในปลายกรรมกระทาให้ติดให้คุมกันเป็นอันดีแล้วการใด ก็มีนามปรากฏชื่อว่าจักเกวียนจักรรถในการเมื่อนั้นเศยถาอันนี้ละมีอุปมาชั้นใดพระจัตุราริยสัจจะทำทั้งสี่ประการคือทุกขสัจสมุทยสัจนิโรธสัจมรรคสัจนั้นเมื่อพระองค์ตรัสเทศนาตรงไปตามเรื่องพระจัตุราริยสัจสิ่งเดียวได้เนื้อความอยู่แต่ในพระจัตุราริยสัจนั้น ก็มีปรากฏชื่อว่าอริยสัจเทศนาจะได้มีนามปรากฏชื่อว่าพระธรรมจักหามิได้และสัตตาติงสาโ พ, พธิปัจคียธรรมนั้นเล่าเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาไปแต่ตามเรื่องพระโพธิปัจคียธรรมสิ่งเดียวได้เนื้อความแต่ในพระโพธิปัจคียธรรมนั้นก็มีนามปรากฏชื่อว่าโ พ, พธิปัจคียธรรมเทศนา จะได้ชื่อว่าพระธรรมจักหามิได้ต่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาพร้อมทั้งสามคือพระโพธิปัจขียธรรมเทศนาพระปฏิจจสมุกบาทเทศนาพระจัตุราริยสัจจเทศนาให้มีอัฏฐะอันเจือไปในเรื่องความตลอดถึงกันแล้วการใดจึงได้ชื่อว่าพระธรรมจักในการเมื่อนั้นมีอุปมาดุ ด, ดังว่า กงและกรรมและดุมอันในช่างคุมเข้าด้วยกันเป็นอันเดียวแล้วและได้นามปรากฏชื่อว่าจักรเวียนจักรรถนั้นและพระจตุราริยสัตที่จัดเป็นกงแห่งธรรมจากนี้ถ้าแสดงแต่พระอริยสัตท์อันใดอันหนึ่งแต่สิ่งเดียวไม่แสดงให้พร้อมทั้งสถ้ามีฉะนั้นแสดงแต่สองแต่สไม่แสดงให้พร้อมทั้งส่ประการแล้ว ก็มีอาจให้สำเร็จกิจเป็นกงแห่งพระธรรมจักรนั้นได้ต่อเมื่อใดแสดงพร้อมทั้งสี่ประการคือแสดงทุกขสัตว์แล้วแสดงสมุททยสัตว์แสดงนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์พร้อมทั้งสี่แล้วจึงจัดเป็นกงแห่งพระธรรมจักรนั้นได้จะมีครุวานาชั้นใดมีครุวานาดุดในช่างผู้ฉลาด อันกระทำซึ่งกงเกวียนและกลงรถธรรมดาว่าในช่างซึ่งกระทำโกงเกวียนและกลงรถนั้นย่อมกระทำไม้ฝักมะขามไม่ครบสี่อันทุกกงทุกกงถ้ากระทำไม้ฝักมะขามไม่ครบสี่อันกระทำแต่อันหนึ่งสองอันสามอันกิจที่จะเป็นโกงนั้นก็ไม่อาจสาเร็จมโนรสความปรารถนาได้ต่อเมื่อใดกระทาไม้ฝักมะขามนั้นครบสี่อันบริบูรณ์แล้ว จึงจะอาจสามารถให้สำเร็จกิจเป็นกงรถและกงเกวียนได้เสยยถาอันนี้แหละมีขรุวนาชันใดพราชตุราริยสัสตว์ซึ่งสำเร็จกิจเป็นกงแห่งพระธรรมจักนั้นก็อาศัยเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาบริบูรณ์พร้อมทั้งสี่ประการมีอุปมาดังนั้นและปฏิจจสมุบาธรรม ซึ่งจัดเป็นกรรมหรือซี่ล้อแห่งพระธรรมจากนั้นจัดเอาอวิชชาเป็นกรรมอันหนึ่งสังขารเป็นกรรมอันหนึ่งวิญญาณเป็นกรรมอันหนึ่งนามรูปเป็นกรรมอันหนึ่งสลายตระณเป็นกรรมอันหนึ่งเวทนาเป็นกรรมอันหนึ่งตัณหาเป็นกรรมอันหนึ่งอุปาทานเป็นกรรมอันหนึ่งพบเป็นกรรมอันหนึ่งชาติเป็นกรรมอันหนึ่งชรามรณะ เป็นกรรมอันหนึ่งสุริเป็นกรรมแห่งพระธรรมมาจากสิบสองอันด้วยกันและพระโพธิปัจกิยธรรมทั้งปวงคือพระสติปัฐานสี่สัมมาปะทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าภะละหโพชงเจ็ดอัตถังคิกมักแปทั้ง37ประการนี้จัดเป็นดุมแห่งพระธรรมจากนั้น เพราะเหตุว่าเป็นที่ประชุมแห่งพระปฏิจจสมุขบาทธรรมมีอวิชชาและสังขารเป็นต้นเป็นเดิมมีครุวนาดุดดุมเกวียนและดุมรถอันเป็นที่ประชุมแห่งกรรมคือซี่ล้อทั้งปวงธรรมดาว่ากรรมเกวียนและกรรมรถนั้นย่อมประชุมลงในดุมสิ้นทุกๆอันจะได้ปราศจากดุมหาไม่ได้ดุมเป็นที่ประชุมแห่งกรรมทั้งหลายและมีชันใด พระโพธิปคิยธรรมทั้ง3 7นี้ก็เป็นที่ประชุมแห่งพระปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอวิชชาและสังขารเป็นต้นเป็นประธานมีอุปมาดังนั้นแท้จริงพระโยคาวจรเจ้าอันเจริญพระสติปัฏฐานและพระสัมมประฐานพระอิทธิบาทนั้นก็ดีเจริญพระอินทร์ศลพระพ่อชงและอัดถังคิกมัม ก, ก็ดี จะได้ปราศจากพิจารณาสังขารและวิญญาณปราศจากพิจารณานามรูปและสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานนั้นมีได้แต่ล้วนพิจารณาสังขารเป็นอารมณ์พิจารณานามรูปเป็นอารมณ์พิจารณาสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นอารมณ์ด้วยกันเหตุนี้พระโพธิปัจกียธรรมทั้ง37 มีพระสติปัทานเป็นอาทินี้จึงจัดเป็นดุมเป็นที่ประชุมแห่งกรรมคือซี่ล้ออันกล่าวคือพระปฏิจจะสมุปบาทธรรมทั้งปวงนักปราดพึงสันนิฐานเถิดว่าพระธรรมเทศนาอันพระศาสดาจารตรัเทศนานั้นมีพระโพธิปัจขียธรรมเป็นดุมมีพระปฏิจจะสมุปบาทเป็นกรรม มีพระจตุราริยสัตว์คืออริยสัตว์สี่เป็นกงคือวงล้อตรัสเทศนานั้นมีอัตตะไหวถึงกันสำแดงแต่ดุมก็ไหวตลอดกรรมตลอดกงสำแดงแต่กงก็ไหวตลอดกรรมตลอดดุมสำแดงแต่กรรมก็มีนัยะอันไหวตลอดดุมตลอดกองจะไหวแต่เฉพาะนั้นหาไม่ได้ ไว้แต่สิ่งหนึ่งแล้วก็พากันไวพ้พร้อมๆกันอัตถนั้นกระทบตลอดถึงกันทั้งเบื้องต้นและท่ามกลางและเบื้องปลายนี้แหละเรียกว่าพระธรรมจักรพระธรรมจักนี้มีในยะอันเกี่ยวพาดพันกันเป็นอันดีเหมือนอย่างพระจตุราริยสัตว์ทั้งสี่ที่จัดเป็นกงนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาทุกขาริยสัตว์ ก็มีอ hmm. ัฏฐะอันกระทบถึงสมุทัยสัตต์และนิโรธาสัตต์มัคคสัตต์เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาสมุทัยสัตต์ก็มีอัฏฐะอันกระทบถึงทุกขสัตต์นิโรธาสัตต์มัคคสัตต์เมื่อตรัสเทศนานิโรธาสัตต์ก็มีอัฏฐะกระทบถึงทุกขสัตต์สมุทัยสัตต์มัคคสัตต์เมื่อตรัสเทศนามัคคสัตต์ก็มีอัฏฐะกระทบถึงทุกขสัตต์สมุทัยสัตต์ นิโรธศัสตร์